เข้าสู่ช่ ว, ง เ, ว, ชวงเคสตัดดีวันนี้เป็นเคสสี่แปดร้อยเจ็ดสิ876 ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาขวัดเมื่อเดือนกันยา ย, ายน2547ดโดยการจักชุ้งหลานสาญากระไรมิตรจึงทําให้ลูกเดิมาสร้างบารมีกับพระเด็จคุณหลวงพ่อและหมู่คณะจนถึงปัจจุ บ, บันนี้ค่ะครอบครัวของลูกเป็นคนอาเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นคุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมด7คนลูกเป็นลูกสาวคนที่สองคุณพ่อของลูกเป็นชาวไร่าชาวนาะหาปูปลากบเกี๊ยวเต่า ส่มนิสัตว์ที่พอจะหาได้ตามท้องไร่ท้องนามาประกอบประหารเลี้ยงลูกลูก่งบ่อยครั้งลูกจะเห็นดัานค่าปลาเรือค่าเต่าดีมีคมคมพากระดองออกมาเอาเนื้อไปทำอาหารแล้วคุณพ่อก็ชอบกินอาหารสุกๆุกดิบๆบจำพวกเนื้อวัวเนื้อควายแกล้มเล่าอีกด้วย oh. คือกินได้ทุกอย่างเลย ต่อมาปีหนึ่งสองคุณพ่อกับปวดท้องอย่างรุนแรงมากินทุกอย่างหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ตับเดิมเล่าเดกับแกล้มรักษาอยู่ห้าเดือน ก, ก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายในวันก่อนเสียชีวิตคุณพ่อมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องแล้วเป็นไงต้องร้องครวญครางอย่างทรมาน แต่มีชาวบ้านถวนั้นบอกอย่าร้องอ ม, มาบอกพี่สองลูกว่ามีวิธีมีวิธีมธแม่ร้องวิธีรักษาหมอจิงจกออเอาจิงจกเป็นเป็นโอ้กินกี่ตัวหนึ่งตัว <laughs> ไปลองดูสิ อ, อ, อร่อยไหม <laughs> ลองหามัน ก, ก่อนมีบ้องตันด้วยนะ <c oughs> แล้วไปจับหางมันนี่มันยินดีนะมันสลัดออกอ๋อโอเคอยากได้หางเข้าไปแล้วตัวเข้าไปหางมัน ก, ก็ก็เดียวก็เดียวอืมจับที่สาวก็เลยเชื่อก็ไล่จับจิ้งจกเป็นๆได้หนึ่งตัวก็อ่าปากคุณพ่อแล้วก็ย้อนลงไปหมอจิ้งจก ยิ่งจะเข้าไปตรวจดูโอ้ไม่ไหวรักษาไม่ได้ก็เลยวิ่งออกมาตรวจแล้วตรวจแล้วรักษาไม่ได้ไม่ไหวเลยสิ้นลมอายุได้สี่สิบสองปีไปลองดูนะอ่ะคืนนี้ว่างๆเอาหางก่อนถ้าหางอย่างเดียวนี่นะมันไม่มีขา มันจะไม่วิ่งออกมาเธอเต้ตโตเดินวนวิ่งออกได้เอเป็นไงบ้างอ่ะหมอจิงจบคิดอะไรพลึกๆลึกคุณพ่อสี่สิสองปีคุณแม่งลูกเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งมากพูดเก่งมากๆเจน กลายเป็นบนเก่งปากก็จัดจ้าปากจัดอยู่ในประเภทปากพูดเก่งอะ่ะชอบดาว่าลูกๆด้วยคำพูดแรงๆแต่ทั้งก็ชอบทำบุญทำทานนะมันคนละเรื่องเงินคืออาดาวาลูกๆก็อบรมกันไปไอรูปเป็นคนดีแต่บุญก็ททำชอบใส่บาทในตอนเช้าเสมอแล้วก็วันพระก็จะไปถืออุโบโสถตศีนิวัดด้วย เมื่อปีสี่แปดคุณแม่เกิดอาการระคายเคืองที่ตาหมอตรวจว่าเป็นโรคต้อกระจกมองอะไร ก, ก็เลือนรางเดี๋ยวทำการผ่าตัดแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นลูกจะไปติดตั้งจานดาวธำให้ท่านดูนไหนไหนหมอรักษาไม่หายเอาดูดาวํำดีกวะเรพราะก็พูดถึงเรื่องราวของดาวํำว่าแม่แม่ดูดาวทํำทุกวันนะละติฐานจิตให้ตาหาย อยู่ห่างไกลแค่ไหนก็แล้วแต่เธออธิษฐานได้เถอะ <Okay. S 2> ช่วยได้ oh. นี่ก็เป็นความเชื่อ oh. ของลูกสาวคุณแม่จึงดูดาวทมแล้วอธิษฐานจิตทุกวันไม่เคยขาดเลย oh. <Okay. S 2> ต้นปีส9ลูกก็ได้รับข่าวจากคุณแม่ว่า oh. ดวงตาของแม่หายแล้ว oh. Oh. Oh. หายเป็นปกติเลย oh. Oh. ลูกดีใจมาก oh. ขณะนี้ท่านอายุด75ปี oh. Oh. ท่านชอบดาวทำดีมสช่องนี้ช่างเดียว ดูทุกวันเลยค่ะ oh. น้องสาวคนที่สี oh. เป็นคนสวยหน้าตาดี oh. มีนุมนมๆติดกันตรมเลย oh. หน้าตาเธอสวยมากสวยๆขนาดที่ใครๆก็บอกว่าแม้แต่นางฟ้าเนี่ย oh. ยังอายเลย oh. แต่เธอก็ไปตอกหลุอมรักขกนมกาลสิน oh. และหนีตาเขาอยู่ที่จังหวัดนะ oh. ั้นจนมีลูกผู้หญิงหนึ่งคน เธอจึงยอมกลับมาหาคุณแม่ซึ่งงินแม่ก็แห่ภัยทุกอย่างในปีสาจ็สามเองเธอก็ บ, บินไปทํางานก่อสร้างที่ประเทศสิงคโปร์ขณะนั้ น, น, นลูกชายคนที่2เธอมาอยุ่ใน10ขวบสามีเธอไปทํางานที่สิงคโปร์อยู่สอปีโดยไม่กลับมาเยี่ยมบ้านเลยแต่แต่ส่งเงินมาให้ครอบครัวน้องสาวเราก็ตั้งใจไปทํางานหาเงินไว้ให้เธอได้เลี้ยงลูกทั้งสองให้ดีจนเมื่อปี3ากลูกชายคนที่2องมายุ่งในสบปี เคยมีความรู้สึกว่าร้อนร้อนมากต้องของนอนแช่น้ําบ่อยๆน้องสาวลูกซึ่งเป็นแม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากกลับดา่าซ้ําว่าจะตายก็ตายเถอะบอกไม่รู้ความนอนแช่น้ำอยู่ได้คือไม่รู้ว่าตัวลูกชายเนะี่ยร้อนต่อมามีเพื่อนบ้านมาพบว่าลูกชายเธอสลบจึงพากันนาส่งโรงพยบาบาลเข้าหออา้อง ICU ได้หนึ่งอาทิตย์ก็เสียชีวิตไปเลยเหมาบอกว่าป่วยเป็นโรคไค้เลือดออกลงปอด เมื่อสามีทราบข่าวก็เสียใจมากเรียบินกลับมาร่วมงานศพลูกชายร้องน้ำตานองหน้าบนพรมว่าตั้งแต่พ่อตายตูก็ไม่เคยร้องไห้ถึงเพียงนี้แต่ทําไมลูกชายตายถึงร้องไห้ขําคโคลนขนาดนี้นี่ตูไปทํางานหาเงินมาให้ใช้อย่างสบายแต่ทำไมไม่เลี้ยงดูลูกให้ดีนี่พูดไปก็ ร้องไห้ไปเนี่ยคือพอบ้านมันจะมาเงินให้ใช้อย่างสบายแต่ว่าก็หวังว่าจะให้ดูแลเลี้ยงลูกของตัวให้ดีแต่การเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงจนลูกตายทำให้สามีน้องสาวไม่กลับไปทํางานที่สิงคโปร์อีกเลยแล้วเขาก็ทําตัวเซฟเพลงเที่ยวดื่มเหล้าเมาออมากับพานารวัฒน้องสาวลูกเป็นประจาแล้วเขาก็ไปเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านจนน้องสาวจับได้คือไปชดชีวิตเลย สุดท้ยก็ยารางงานไปจนถึงทุกวันนี้ค่ะหลานสาวลูกของพิสาเกิดมาได้เจ็วันก็ป่วยเป็นโรคปอดบวมเกือบตายแต่หมอก็รักษาไว้ทันอายุได้หนึ่งเดือนก็เริ่มเป็นโรคหอบหืดเป็นมาจนโตตั้งหาหมอประจําตัวหากะทันหันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกทั้งยังป่วยไข่ยอยู่บ่อยๆทําให้เป็นเด็กงอแ ง, งมีร่างกายผายผอมมินเดียขาดสารอาหารอิสาของลูกแม่ของหลานก็พาไปหาหมอ หาอาหารเสริมทวิตามินมาให้เธอทานแต่หลานก็ไม่ยอมทานพยายามปรับประทานเลยวันๆก้าแต่นั่งร้องไห้ต้องเอาอกเอาใจคอยปลอบกันไม่ร้องไห้โยยีเ <c oughs> มื่อโตขึ้นอายุได้สิปี <c oughs> เธอก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบทำบุญไส่บาจะเป็นประจำในยามค่าคืนหลานจะมานั่งสวดมนต์บทกาถาจินนามาจอนวันละหนึ่งรอยจบ อย่างนี <crisis of> <ás> um. ้คงเห็นองค์พระใสๆแน่เลยถึงเวลาจะนอนพอนอนกําล <mm ังจะเคลิบเคลิมเธอก็จะสั่นเหมือนไฟช็อตอยู่สักห้าสิบนาทีอาการนี้ก็จะหายแล้วก็หลับไปสตาร์ทเครื่องดับเครื่องกันบู๊ดับเครื่องเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เริ่มหัดสวดจนในยุคไดรารายี่ปีจึงเลิกสวดแต่อาการก็ยังมีเป็นบางครั้ง แลักันนี้เป็นคนชอบทำนายแต่ทักมา ต, ตั้งแต่อย่างเล็กๆตอนอยู่ในบ้านก็ชอบทายคนโน้นทายคนนี้ไปเรื่อยๆโตขึ้นเขาศึกษาตำรามหมอดูทั้งวันเดือนปีพัย24ีดูลายมื อ, อดูไปกระด้งเงินใช้ไปด้วยนิดๆหน่อยๆวันหนึ่งเธอได้ไปดูดวงให้เพื่อนๆี่โรงงานของคุณแม่เธอจนดึกดืนนั่งเดิกลับบ้านแต่ระหว่างทางทางกลับบ้านเธอลืมดูดวงตัวเองก็มีแรตัวหนึง บินมาชนแก้มข้างขวางเธอแต่เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะมาแมลงมันกระตัวนิดเดียวพอมาถึงบ้านก็นอนพักอย่างสบายอารมณ์จนถึงรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาประกอบว่ารู้สึกเจ็บแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีกรีดตรงแก้มที่ถูกมแมลงชนพาไปรักษาหาหมอที่ไหนก็ไม่หายเป็นเวลาถึง8ปีจนเมื่อปี42เธอก็เรียนจบในระดับปริญญาตรีและได้ขับมาเป็นเจ้าหน้าที่วัดอ่า ต้องแถมกันนอนเมื่อเธอก็มาช่วยงานที่วัดแล้วโรคภัยต่างๆเช่นโรคหอบหืดปวดแสบที่แก้มเป็นไข้บ่อยอาการสั่นเหมือนไฟช็อตหายไปหมดเพราะสั่นไปโดนอัดนี่หายไปเลยนี่พี่ๆก็อัดกันเองอะไตัวลูกเองเหมือนไม่ปลอมได้ย่างแต่เด็กเพราะพ่อพ่อกับแม่จะคอยดุด่าลูกอยู่เสมอ หาว่าลูกเป็นคนขี้เกียจหาว่าไม่ช่วยพี่น้องทำการงานหาว่าวันๆ แ, แต่ร้องเพลงแล้วฟังนิยายออซึ่งก็เป็นความจริงค่ะแ <laughs> ต่มาเมื่อลกอยู่ได้ส3าปีคุณพ่อแม่ยังส่งลูกให้ไปอยู่กับครอบรครัวคุณอารัต้ังการปฏิวัติอุบนิสัย <laughs> อยากให้ลูกเป็นคนขยัน <laughs> มาลูกไปอยู่คุณอาคุณอาก็ปฏิรูป อุปนิ ส, สัย้ดยการให้หาบน้ำ <c oughs> ใส่ตุ่มวัละสิบกระตุม่มอีกทั้งยังต้องทำกับข้าวซักผ้าเลี้ยงลูกๆของคุณอาด้วยหนังสือก็ม่ให้เรียนแต่ว่าคุณอาก็ให้ลูกไปรับจ้ า, ทางทำงานบ้านให้ครอบครัวครัวหนึ่งลูกก็ตัง้งใจทำงานบ้านได้แจ๋วมากเลยแจ๋ว <c oughs> จริงๆไม่มีบกกล้องเลยครับเพราะว่าเป็นขบวนการแจ๋ว <c oughs> เจ้าของบ้านเขาเห็นลูกเป็นคนขยนันเป็นสุดยอดเจ๋ ว, จวเลยสงสารส่งเสริมให้เรียนหนังสือจนจบป .7 นี่ต่อมายุิส17เจปีคุณอาก็คำว่าวงการชีวิตงหลูกครั้งโดยลูกแต่างงานกับอาเสียซึ่งมีปริยาแล้วลูกไม่ชอบเลยแต่ก็ขัดคำสั่งอาไม่ได้จึงยอมแต่างงานและตกอยู่ในฐานะปรรยาน้อยอย่างไม่เต็มใจ ลูกอยู่กับอาเซียผู้เป็นสามีได้เกือบปีจึงเกิดตั้งท้องขึ้นมาได้ประมาณสามเดือนแต่พอทราบเรื่องว่าลูกท้องก็รีบพาไปทําแท้งโดยสามีลูกไม่ทราบเลยตอนมีสามีทราบก็โกรธมากจึงได้แยกทางกันไปตอนนั้นลูกอยูได้เพียงสิปปีลูกคิดว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปชีวิตคงไม่ดีขึ้นแน่จึงหนีอาไปหางานทําี่กรุงเทพ แต่ทํางานที่บริษัทสองเบียทําไมลูกเดีลิ้มรถเบียร์ล่และสูบบุหรี่กัญชาสิ่งเสพติดเกือบทุกชนิดลูกลองหมดแต่ไม่ติดค่ะสูบตังวันตังวันยังปฏ <c oughs> ิีสพอายุได้สิลูกจึงได้พบกับสามีมคนที่สองอยู่กินเดียกันแต่ไม่มีลูกด้ยวยกันสามีอยากมีลูกมากแต่ลูกก็ไม่สามารถมีลูกให้เขาได้ในสุดสามีก็แอบไปมีภรรยา น, น้อจะมีลูกเดียวกันหนึ่งคน สามีจึงนำภรรยาน้อยพร้อมลูกมาแนะนําให้ลูกรู้จักซึ่งลูกเองก็แทบช็อกแต่นั้นสามีก็พาภรรยาและลูกน้อยเข้าออกที่บ้านเสมอโดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของลูกเลยสามีกค่เหตุผลกับลูกว่าน้องพี่นะต้องมีลูกเพื่อสืบสกุลแต่ผี่ก็รักเ้ยแต่พี่ก็รักน้องนะเราจะอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหม ซึ่งลูกก็ออึ้งน้ำตาตกในแล้วหนึ่งลูกก็ชนไม้หวาจึงหนีจากผู้ชายเห็นแก่ตัวคนนี้ไปต่อมาอายุได้27ปีลูกก็ได้พบรักขนมทหารเขาบอกว่าผมชอบคุณมากอยากแต่งงานกับคุณลูกก็บอกเขาไปว่าฉันเคยมีสามีแล้วนะแต่ไม่มีลูกเดียกันดิฉันหนีเข้ามานะเพราะเขานอกใจฉันเธอไม่รังเกียแล้วที่ฉันเคยมีสามีมาแล้ว นุมทากเขานั้ก็บอกว่าถ้าเลิฟแล้วยังไงก็ไม่รังเกียจแล้วก็เดะพระเลิฟแม่หม่ลูกจิงตกลงทต่งงานอยู่กินกับเขาแต่ไม่มีลูกเดียกันเราต้งสองจะนำหลานสาวที่เป็นลูกของน้องชายมาเลี้ยงตต็งเด็กซึ่งเราก็รักเธอมากค่ะต่อมาปี2อ4 7าหลานสาวหรือลูกของวิสาวก็ได้มาชักชวนให้ติดตั้งจานเราทำโลเป็นตองการเลยแต่เธอก็พยายามชวนให้ลูกติดตั้งจนสาเร็จ ท่าไม่รู้ดีสร้างองค์พระทั้งให้ตนเองและข้ญาติรวมทั้งหมดแล้วเจ็ดองแล้วก็ลูกงงลบุญสร้างพระสา0 0 0 0องค์สามแสนพื่อบุญสร้างรามภาวนา60ปีบุญสร้างหอฉันบุญต่างต่าที่หลวงพ่อบอกผ่านอาจารย์ทำลูกทําทุกบุญและก็มาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดจนหนึ่งทุกวันนี้ค่ะคําถามประเพณใดคุณพ่อยังเป็นโรคมะเรง็งติดตับและเพราก ร, รมใดก่อนเสียชีวิตพี่สาวพี่สาวอย่างนีเอาจริงจอกให้กิน ท่ามีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนได้รับบุญเอืทิดไปให้หรือไม่อย่างไรบุปผกรรมใดคนแม่จึงชอบบ่นว่าลูกๆโลกดุดขมังแรงและกรรมใดที่ทาให้ท่าเป็นโรคต้อกระจกมองเห็นเลือนรางและหายได้เพราะบุญใดกรรมใดทําให้ลูกชายน้องสาวยุสั้นเสียชีวิตโดยโรคไค้เลือดออกหลงปอดลูกเธอตายแล้วไปไหนเธอจะมีกรรมที่ไม่ดูแลลูกไม่ดีหรือไม่คะ บุพกรรมใดทําให้น้องสาวกับสามีซึ่งรักกันดีถึงขนาดนี้ตามกันไปแต่สุดท้ายตั้งแตกแยกจากกันเธอควรแก้ไขอย่างไรค ะ, ระบุพกรรมใดทําให้หลานสาวเป็นโรคปอดบวมตั้งแต่ยุติเจ็วันและโรคหืดหอบจนโตและกรรมใดแก้มควางเธอจึงมีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดถึง8ปีหายได้เพราะบุญใดควรแก้ไขอย่างไรถึงจะไม่เป็นอีกคะหลานสามีกรรมกรรมมาอย่างไรจึงชอบทํานายทายทัก ศึกษาตำราหมอดูตั้งแต่เด็กและการคล้ายไฟชอดตั้งแต่เริ่มหัดสวดบทชินนบัญชรเกิดจากอะไรหายไปเพราะสาเหตุใดเมือพุทธนอนที่แ้วเธอเคยสร้างบริารมีกุมูขณาเป็นอย่างไรได้กับดุสิตบุรีบ้างเอเมัยคะมีผลกรรมบธร ท, ทำเป็นอย่างไรบุพกรรมใดทำให้ลูกมีปมได้คิดว่าพอ่อแม่ไม่รักและถูกส่งมาอยู่กับญาติซึ่มีแต่ความลาบากต้องทางานเหมือนคนรับใช้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 ที่บาปกรรมใดทำให้ตัวลูกไม่มีลูกกับสามีคนที่สองจนเขานอกใจไปมีภรรยาคนใหม่เพราะบุญใดแม่กับสามีคนที่สามเราจะไม่มีลูกเดียกันแต่สามีคนนี้ก็เป็นคนดีช่วยเหลือลูกทุกอย่างเรามีบุญร่วมกันมาอย่างไรและผูกพันกับหลานที่เราเอามาเลี้ยงเหมือนลูกอย่างไรคะตัวลูกและสามีพร้อมทั้งหลานสาวลูกของน้องชายที่ลูกเอามาเลี้ยงเคยสร้าบาเรามีกระหมูคณะมาอย่างไรจะมีสิทธิไปดูสิบลีได้ หรือไม่อย่างไรคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็นตุม้มตาตื่นขึ้นม า, านแล้วก็นำมาอล่อฟังเป็นนิยายปารัมบาราคันจ้จคุณพ่อเป็นโรคมะเร็งที่ตบพระกามดื่มสุราและขาดสัตว์ ท, ทากับกแกล้มทั้งอดีตและปัจจุบันประส่งผลเจ้า ก่อนเสียชีวิตพีสาวจิงจกให้กินเพราะกรรมที่ชอบกินสัตว์แปลกๆที่ดองดืนเหล้าทั้งอดีตและปัจจุบันรวมทั้งความไม่รู้ของพีสาวด้วยมาส่งผลเจ้ากินสัตว์แปลกๆนี่มันก็เป็นเซตโปรแกรมเป็นผังตายแล้วก็ไปทันทีแจ้าดำดิ่งเป็นมหาณนรขุมห้าดกรรมดื่มสุรากำลังโดนนยายนริยบาล กราบน้ำกราสีดำร้อนแรงทุกทรมานมากไม่อาจรับบุญได้ในตอนนี้แต่ทําบุญอาทิตย์ไปให้เรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคออยู่ที่เจ้มโลกพอพ้นกรรมจากมหาณรกแล้วก็จะได้มารับบุญที่นี่จ้าซึ่งกันยังอีกยาวนานคุณแม่ชอบบ่นว่าลูกแรงๆเพราะเป็นกรรมใหม่ของแม่และก็เป็นกรรมเก่าของลูกที่เคยบ่นว่าคนอื่นด้ยทอยคำแรงอย่างนี้จ้า คุณแม่เป็นโรคต่อกระจกมองเห็นเลือนรางแต่หายได้เพราะกรมน้ดีและปัจจุบันมักมองดูผู้อื่นด้วยดวงตาที่ไม่ปรารถนาดีเช่นทำตาดุบ้างค้อนควักบ้างมันไส้บ้างมองดูแบบตำหนิบ้างนี่บางทีปากยิ้มแต่ตาด่าอย่างี้ ตาด่าตาดูตาคอนคลักแต่ปากยิ้มอย่างเนี้เรื่องกรรมจัดสักขังไว้ในที่มือเช่นปลากรอบเอไว้ขากินเป็นอาหารมารวมสง่งผลเจ้าหายได้ด้วยบุญอดีตจะเคยจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและทุกบุญในปัจจุบันมาตัดรอนวิบากกรรมเจ้าลูกชายของน้องสาวยุทธ ส, ส, ส, ส, ส, ส, ส, สั้นเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกหลงปอดเพราะกรรมในอดีต จ, จับปลาเป็นๆใส่ในหม้อร้อนเหมือนต้มเปรต หรือจับหมกกองไฟเป็นเป็นหรือย่างกุ้งปูหอยเป็นเป็นมาส่งผลเจ้าตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้น้องสาวก็จะมีกรรมที่ดูแลลุกงตนไม่ดีด้วยถ้าหากมีกรรมปาณาติบาตร่วมด้วยก็จะเจอลักษณะเหมือนลูกชายที่โดนอย่างนี้บ้างจ้าน้องสาวก็สามีรักกันมากขนาดหนีตากันไปแต่สุดท้ายต่างแยกจากกันเพราะน้องสาวก็สามีทำบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้เจ้า กับความโกรธในปัจจุบันของสามีในเรื่องที่น้องสาวไม่ดูแลลูกให้ดีจ้าจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญท้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆแล้วติฐานจะได้ชีวิตประสบแต่สิ่งที่ดีจ้าล้านสาวเป็นโรคปรอดบวมตั้งแต่ยุคที่เจ็ดวันและโรคขืดหอบจนโตเลาะกำแนิดีตอนเด็กชอบกแกล้งแมวอาบน้าให้แมวบ้างเอาแมวไปจุ่มลงในถังน้าจนมันทรมาน เึีงทำให้มาเป็นโรคปอดบวมและหอบหืดดังกล่าวในปัจจุบันนี้แจ้แก้มแขางขวางเธอมีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดถึงแปดปีแต่หายได้ในเวลาต่อมาเพราะกรรมแนอดีตที่เคยทะเลาะกันกับเพื่อนได้เอาไม้เรียวฟาดไปโดนแก้มเพื่อนจนเขาเจ็บปวดรวมกับวิจีกรรมที่นอยจุดทำร้ายเขาและยังพูดให้เขาเสียหน้าเจ็บแสบด้วยมาส่งมรวมส่งผลแจ้ จะหายได้ในเวลาต่อมาเพราะภายหลังได้ขอเทษขอพยและคืนดีกันกับเพื่อนคนนั้นจ้าในชาตินั้นจะไม่ให้เป็นดีก็ต้องพูดแต่ปิยาวาจาและอย่าไปด่าว่าใครทําให้เขาเสียหน้าและไม่ทําร้ายใครอีกทั้งต้องสั่งสมบูร์ทุกบุญที่มากมากเล่าติฐานจิติพ้นจากวิบากกรรมนีช้ช่หลาสาวชอบํานายแททักแต่แต่เด็กและชอบศึกษาหมอดูเพราะเคยเกิดในสายวิทยาธรสาขาหมอดูจา<ๆ>นายแททักมาหลายชาติ จิงทำให้อัจยาศัยนิติดตัวมาแจ้ผีไ oh. พ่ยิบซีติดมึงมีอาการคล้ายไฟเช่าตั้งแต่เริ่มหัดสวดมนต์บทชินนบัญชรแต่ภายหลังหายได้เพราะกัมณนยดีเคยแกล้งทำตัวเป็นร่างทรงแต่ไม่มีใครมาเข้าทรงจริง oh. เพื่อคนเข้าใจผิดด้วยความขนองสนุกและเพื่อเรียกร้องความสนใจบ่อยๆมาส่งผลใะ oh. อยก็นั่งสัน่นคนก็ก็มาถามอ่ะ ใครมาประกาศนามก็บอกว่าเป็นปู่นั่นปู่นี่มาหายได้เพราะหมดกรรมพอดีจ้ะแกล้งโดยความกันด้องก็ไม่ได้พระพุทธดรที่บานมาก็ได้เป็นกองเสบียงแบบตามมรมโดยทาบ้างไม่ทาบ้างจึงหลุดจากวงบุญไปไม่ได้กลับดุสิตบุรีแล้วในช่วงนั้นก็ไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรแย่ๆเป็นบทในช่วงพุทธดรที่ผ่านมาเนี่ย แต่ว่าชาตินี้มาเจอหมู่คณะได้อีกเพราะบุญเก่าเคยทําอยู่บ้างจึงนึงดูทีกลับมาเจอกันอีกอดังนั้นจะได้ประมาในการดําเนินชีวิตนะลูกนะให้ตั้งใจสร้างบรมนิชเต็มที่จะได้ไปพลัดกันอีกจ้าที่บอกแล้วตั้งแถมนี่ที่จริงเป็นอะไรเยอะแยะนี่ยังไม่ได้บอกว่าเวลาไม่พ อ, อลูกปปลมด้คิดว่าพ่อแม่ไม่รักแล้วถูกส่งไปอยู่กับย่าต่างทำงานหนักเหมือนคนรับใช้เพราะอันนี้ศึกษาให้ดี ในดีตอนเป็นลูกก็ชอบด่าว่าพ่อแม่แม้ท่านอายุมากแล้วก็ยังใช้ท่านเหมือนคนรับใช้ไปใช้ท่านนะอีกทั้งเวลาเป็นแม่ก็ชอบด่าว่าลูกด้วยเธอคํารงแรงตอนเป็นลูกก็ด่าว่าพ่อแม่ตอนเป็นแม่ก็ด่าว่าลูกๆด้วยเธอคํารงแรงจะทําให้ลูกน้อยใจคิดว่าแม่ไม่รักเหมือนดังที่โดนในปัจจุบันนี้จ้ะวิบากกรรมดังกล่าวมารวมทรงผลจ้ะ ชีวิตที่ผ่านมาตั้งทํางานยากลําบากตั้งไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดเวลาหรือเป็นคนรับใช้บ้านเขาอยู่เรื่อยๆเพราะกรรมนี้ใช้พ่อแม่ตัวเองแม้ท่านอายุมากแล้วเหมือนคนรับใช้ดังกล่าวอีกถ้าไม่ได้ดูแลยกย่องท่านวิบากกรรมนี้ประสงค์ผลเจ้าโ oh. รค ก, กรรมที่มีความตระนนีทำทานมาน้อยอีกด้วยเจ้ะชีวิตจึงลําเค็ญแต่มีคนส่งให้เรียนถึงป .7 เพราะมีบุญในส่งเสริมลูกหลานบริวารให้มีการศึกษาอยู่บ้าง มาส่งผลแจ้ลูกถูกบังคับ ไ, ไปเป็นเมียนอกระงอาซีแล้วถูกบังคับไปทำแท้งโดยสามีไม่รู้จะเป็นเหตุให้เลิกกับสามีเพราะกรรมเจ้าชูในสมัยที่เป็นผู้ชายที่มีหลายภรรยารว่ากรรมที่เคยบังคับให้ลูกหลานตนเองทำแท้งด้วยมารวมส่งผลแจ้ตัวลูกไม่สา ม, มารถมีลูกกับสามีคนที่สองได้จนเขานอกใจไปมีภรรยาใหม่เพราะกรรมชจ้าชูในสมัยเป็นผู้ชายที่มีหลายภรรยาดังกล่าวมาส่งผลแจ้ แต่มาได้สามีคนที่สาแต่ไม่มีลูกเดียวกันแม้ไม่มีลูกเดียกันแต่สามีก็เป็นคนดีช่วยเหลือทุกอย่างเพราะบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติและบุญที่เคยทำกรรมฐานมานะเริ่มส่งผลเจ้ากับหลานสาว ท, ที่เอามาเลี้ยงเหมือนลูกนะเพราะเคยเป็นญาติกันมาเคยเกื้อกูลกันมาก่อกระชากนี้ก็อยากจะมีลูกด้วยจึงมีความรักและเอ็นดูผูกพันกันเจ้าตัวลูกและสามีพราะนั่งหลานสาวที่ลูกเอามาเลี้ยง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 คืนนี้